นิทานเรื่องที่21พระเจ้าตรีวิกมเสนเดินกลับมาที่ตนนสกและนำร่างที่มีเวตานสิงอยู่พาดบ่าเดินกลับมาทางเดิมขณะที่มาตามทา ง, ทางเวตานก็กล่าวว่าอ้อราชาโปรดฟังนิทานจากข้าอีกสักเรื่องเถอะท่านจะได้ไม่เบือ่อกับการเดินทาง ยังมีนครแห่งหนึ่งนามว่าวิสาลาณที่นครแห่งนี้มีเศรษฐีนามว่าอัทฐทั์ซึ่งเขาพีบุตรสาวนามว่าอ น, นงคมันชรีนางผู้นี้มีรูปโฉมที่งดงามยิ่งนักกระทั่งเมื่อถึงวัยออกเรือนบิดาของนางก็จัดหาสามีให้นางเป็นพ่อค้าจากเมืองตามาระริปตินามว่ามณิบรมันนางไม่ได้รักสามีเท่าไรนัก แต่ผู้เป็นสามีนั้นมีใจพักดีกับนางเสมอมาจนกระทั่งวันหนึ่งมณิวรมันผู้เป็นสามีได้ออกเดินทางไปเยี่ยมญาติยังบ้านเกิดของเขานางอโนงคมันชลีจึงได้ขึ้นไปนั่งเล่นบนดาดฟ้าพร้อมเหล่านางรับใช้ขณะที่กำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นนางอโนงคมันชลีก็ได้มองไปเบื้องล่างและได้สบตากับชายหนุ่มนามว่ากมาลากร บุตรชายของสมุหาราชมเทีรนและความสเสน่หาก็ได้กอ่อตัวขึ้นในใจของทั้งสองคนจากวันนั้นนางอนงคำมันชรีเฝ้าแต่คิดถึงกมลากรเสมอมาตกกลางคืนก็พานให้นอนไม่หลับจิตใจพะวักพระมงว้าวุ่นถึงแต่เขาผู้นั้นจึงตัดสินใจลอบออกไปยังเทวไลแห่งหนึ่งที่ตระกูลของนางสร้างไว้พร้อมกับอธิษฐานว่าข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากชาตินี้ข้ามไม่ได้กรรมาลากรมาเป็นสามีก็ขอให้ได้เป็นสามีภรรยากันในชาติหน้าด้วยเถิดเมื่อกล่าวจบนางก็ได้ใช้ผ้าคลุมทาเป็นบ่วงเตรียมที่จะผูกคอตายขณะนั้นเองสาวใช้ตื่นขึ้นมาไม่พบใครจึงรีบวิ่งติดตามนางไปพบนางกำลังแขวนคอตอนเองอยู่จึงตกใจรีบปีนขึ้นไปตัดบ่วงเอาตัวนางอเน์คมันชลีลงมาได้ เมื่อน า, นางฟื้นขึ้นมาจึงเล่าความจริงให้สาวใช้ฟังสาวใช้รับปากว่าจะหาทางช่วยเหลือให้จงได้วันรุ่งขึ้นนางรับใช้ได้ออกเดินทางไปสืบหาบ้านของกรมลากรจนพบเป็นเวลาเดียวกันที่กรมรากรนอนสมอยู่ในอาการรักโดยมีสหายคอยดูแลอยู่และและ้วกรมลากรก็ได้เผยความในใจให้สหายของเขาฟังฝ่ายนางรับใช้ที่แอบฟังอยู่ได้ยินเรื่องทั้งหมดก็ได้เปิดเผยตัว และนัดแนะให้กมาลากรไปเจอกับนางอนงคำันชรีในยามดึกที่หน้าเทวาลัยในยามวิการนักเทวาลัยทั้งสองได้มาพบเจอกันต่างฝ่ายต่างสวมกอดเข้าหากันพร้อมกับพรรณนาถึงความรักที่มีต่อกันในที่สุดข้าก็ได้พบเจ้าข้านา้าคิดถึงเจ้าทุกคืนทุกวันเลยนะข้าก็เช่นกันท่านรู้ไหมข้ากเกิดที่จะเปลี่ชีวิตตนเองเพื่อรักที่มีต่อท่าน ด้วยหัวใจที่อัดแน่นด้วยความรักที่มีต่อกันอย่างล้นเหลือไฟรักของนางอนงค์คมัญชลีก็ได้แผดเผาหัวใจของนางจนแหลกสลายตายลงทันทีเมื่อกมาล拉กรเ ห, หญิงอันเป็นที่รักตายไปเขาก็เสียใจจนเสียสติต า, ตายตามนางไปอีกคนอตายแล้วฮะนาง เมื่อสามีของนางเข้ามาพบร่างของทั้งสองก็เสียใจเป็นอันมากจนหัวใจของเขาแหลกสลายตายตามไปอีกคนผู้คนที่รู้ข่าวต่างประหลาดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังเศร้าโศกเสียใจอยู่นั้นพระแม่เจ้าจันทีซึ่งสถิตยอยู่ในเทวาลาแห่งนี้ก็ได้ปรากฏกายขึ้นเศรษฐีอัฏฐพัฐ์จึงได้ทูลขอให้ช่วยชีวิตลูกสาวด้วยความเห็นใจ พระแม่จันทีจึงยินยอมในคําขอนั้นพระองค์ได้ประทานน้ําทิพย์ปราบทูลคนทั้งสามพร้อมกับกล่าวว่าเพื่อความถูกต้องและให้เรื่องราวดังกล่าวจบลงด้วยดีเราขอให้เจ้าทั้งสามลืมเรื่องราวอันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นให้หมดสิน้นเมื่อกล่าวจบพระแม่จันทีก็ได้หายตัวไปคนทั้งสามก็ได้ฟื้นคืนชีพมาและไม่รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในที่สุด นางอนโนงคมันชรีก็ครองรักกับมณีวรมันผู้เป็นสามียังมีความสุขเรื่อยมาฝ่ายกมลาก่อนก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขดังเดิมท่านราชาท่านคิดว่าทั้งสามคนเนี่ยใครกันที่มีรักอย่างแท้จริงพระเจ้าตริววกรมเสนได้ฟังปัญหาเช่นนี้จากเวตาลจึงตอบขึ้นว่าเราเห็นว่า มณีวัลลมันเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่มีความรักที่แท้จริงมากที่สุดซึ่งนางอนงขมัญชรีและกมารา ก, กอนนั้นนะ่ะมีความรักให้กันด้วยความรักแบบคนตาบอดไม่มีเหตุผลไม่มีความละอายเป็นความรักที่เห็นแต่ตัวส่วนมณีวัลลมันนั้นมีความรักให้นางมัญชรีอย่างแท้จริงเพราะแม้เขาจะเห็นภรรยานอนตายในอ้อมกอดของชายอื่นก็ไม่โกรธแค้นแต่อย่างใด เขาไม่ไดเห็นว่าคนทั้งสองเนี่ยกำลังลบหลู่เกียรติของเขาเลยแม้แต่น้อยเขาไม่เห็นใครเลยจะมีค่าไปกว่านางด้วยความรักความเสียใจเขาจึงเสียดายนางแล้วก็ตายไปด้วยความรักดังนั้นเราเห็นว่ามานิวลลมันเป็นผู้ที่มีความรักอย่างแท้จริงในกรณีนี้จเจวิตานเหตุใดเจ้าจึงหลอกให้ข้าดเดินกลับไปกลับมาเช่นนี้ฮะ เจ้าก็รู้ว่าข้าเนี่ยจะตอบคำถามของเจ้าได้ข้าจะบอกท่านในอีกไม่ช้านี้แล้วเมื่อพระราชาเฉลยดังนี้เวตานก็โหวรอดเสียงก้องกังวานแล้วลอยกลับไปยังต้นอโศกด้วยความสะใจการให้ภัยซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งเหนือสิ่งอื่นใด